กายของเราฟูดชุมกระยาบคือตั้งกายของเราให้ตรงคือนั่งให้ตรงเอาขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายแล้วก็หลบดูกายของเราดยที่นั่งของเราปรับปรุงให้เรียบร้อยพอเหมาะพอดีในการนั่ง ท่านลาต่อไปเอกหลาตไปมุขขังสติสงให้มีสติจะพาะหน้าคำละสติเฉพาะหน้านยจะต้องทําความเข้าใจจะพาะหน้าเพื่อให้สะกดอยู่เสมอเมื่นกระชงของที่อยู่ต่อหน้าเราเราเห็นอยู่ชัดอยู่แจ้งอยู่สติเฉพาะหน้าเพื่อสติปัจจุบันไม่เผลอนั่นเองโยต่อหน้า มกตะลึกพุทธเอาสติตะลึกทําคําบริกา ร, รอย่างไดอย่างหนึ่งก็ใหทําส่วนนั่นปรากฏอยู่เสมอเหมือนกับสิ่งของอยู่ต่อหน้าต่อตาเราสิ่งเหล่านั้นเยมันจะตกะเพิ่มหรือมันจะพลิกแปลงหรือมันตั้งอยู่หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างไดเราก็เห็นเพราะอยู่ต่อหน้าชันได้สติ่เราตะลึกจะพอหน้าจะตะลึก ทำบริกรรมอย่างใดอย่างหนึง่งพุทโธพุทโธก็จะลดกิดปรโยชนอย่างนั้นเรื่องกัปตปริมุขขังสติปตรราริภวประวัติรอบไม่ความวาไม่เผลอนั่นเองเห็นรอบอยู่ไม่หลบหนี้ไปทางใดทางหนึ่งอยู่ประกบชัดอยู่อย่างนี้นี่เบื้องของการทําสมาธิ ถ้าจิตใจของเราเย็นสบายแล้วทุกอย่างก็พลอดสบายไปด้วยมีความสุขไปด้วยถ้าอากาศเย็นเท่าไรถ้าใจของเราไม่เย็นอย่างไรก็ต้องทุรนทุรายดิ้นรนต่างๆหาความสุขหาความสําราญไม่ได้เพราะใจไม่เย็นการอบรมจิตใจของเรา จึงเป็นความสำคัญมากเพราะทาคําสอนพระพุทธเจ้านั้นถ้าหากเราทางหลายได้รวบรวมมาเป็นสมบัติของใจแล้วเราก็จะได้เป็นที่พึ่งอย่างสำคัญ ถึงทำ ม, มีอยู่ถ้าเราไม่ได้เอาก็ามาไวา้เป็นสมบัติของเราก็เลยเป็นของทั่วไปเราก็ไม่ได้รับประโยชน์แบบเปรียบเหมือนยาโอสถอันวิเศษถ้าเราไม่บริโภคแล้วโรคของเราที่มีอยู่เราก็ไม่ไม่สามารถที่จะให้หายได้ โรคร้ายไม่ใช่เฉเพราะว่าแต่เพียงมียาเท่านั้นแต่เพียงรู้จักชื่อยาเท่านั้นยานั่นมีอยู่เรารู้จักอยู่เราเพียงพยายามหายาเหล่านั้นมาอยู่ในอำนาจของเราอยู่ในตัวของเรามีสิทธิ์ที่จะใช้สอยบริโภคได้ แล้วเราบริโภคลงไปจึงสามารถจะแก้ความเจ็บป่วยได้ชั้นใดก็ดีทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วนั้นมีอยู่ครบถ้วนทุกอยาก่างแต่ยังไม่เป็นสมบัติของเรายังไม่เกิดประโยชน์แก่เรา ถ้าเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติแล้วถึงเราอยากได้ก็ไม่ได้ไอยากรู้ก็ไม่รู้อยากเห็นก็ไม่เห็นใครยังเพียงแต่อาศัยความอยากถ้าหากเราทั้งหลายได้ลงมือปฏิบัติลงมือศึกษาและปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วรวบรวมธรรมเหล่านั้น ให้ปรากฏขึ้นในใจของเราเห็นชัดในจิตใจของเรามีอยู่ในตัวของเรานั่นจึงจะเป็นถิ่พึ่งของเราได้เมื่อเราไม่เห็นถึงมีอยู่เหมือนก็ไม่มีถ้าเห็นแล้วไม่รู้จักถึงมีอยู่เหมือนก็ไม่มีเช่นเดียวกัน รู้แล้วแต่ไม่เห็นเห็นแล้วแต่ไม่รู้ก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ต้องรู้ด้วยต้องเห็นด้วยหรือต้องเห็นด้วยต้องรู้จักด้วยแล้วก็ต้องเอามาใช้ให้ถูกต้องด้วยพร้อมด้วยองคามจึงจะมีผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ กาปรปฏิบัติธรรมที่ได้พระองค์ได้ทรงแสดงไว้นั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่เราทั้งหลายทำไม่ได้เราทั้งหลายรู้ไม่ได้ถ้าเราพินิพจ น, น, นาตรวจรวบตรวจ ต, วตอสองสอบดูแลพรอเราเจ้ารู้ได้เช่นพระองค์ทรงแสดงว่า นัตสันติป ร, รังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมื่อพระองค์ทรงตรัสว่าสุขอื่นยิ่งความกว่าความสงบไม่มีแล้วสิลที่ตรงกันข้ามทุก็คือความไม่สงบนั่นเองทุกอย่างยิ่งคือความที่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่สงบอยู่ตรงไหนทุก็อยู่ตรงนั้น จิตใจสงบอยู่ตรงไหนความสุขก็อยู่ตรงนั้นความสุขอยู่ที่ความสงบเพราะฉะนั้นเราดูจิตใจของเราสงบหรื อ, อยกักถ้าจิตใจของเรายังไม่สงบเราก็ถือว่าเรายังไม่มีความสุขเพราะมันยังดิ้นรมอยู่มันยังฟุ้งซ่านอยู่มันยั ง, ยงสิวโหยังแสวงหาอารมณ์ ยังอยากรู้อยากเห็นยังเลื่อนลอยอยู่มีสิ่งที่บังคับบีบคั้นให้ดิ้นรนอยู่เพราะฉะนั้นลักษณะอาการสิ่นนี้ล้วนแต่เป็นลักษณะอาการที่แสดงออกว่ามันมีความทุกข์ไม่ใช่มีความสุขถ้าจิตใจมีความสุขจิตใจเต้าเบิกบาน ตั้งมั่นแน่วแนว่ไม่หิวโหยไม่ดิ้นรนไม่สแสวงหาอะไรมาอีกเพราะมันอิ่มตัวแล้วเหมือนกับร่างกายที่เราใดพ้พอกบริโภคอาหารอิ่มแล้วเขาเอามาให้อีกก็ บ, บริโภคไม่ได้ไม่นึกอยากมันไม่หิวโหยเพราะอะไรเพราะมันอิ่มแล้วไม่ดิ้นรนไม่ต้องการเพื่ออาหารอีก ฉันใดพอดีจิตใจของเราถ้ามีความสุขมีความอื่มตัวแล้วมันก็ไม่ดินรนมันก็ไม่หิวโหยไม่อยากอะไรเรื่องอที่ไหนอีกและก็อิ่มตัวจิตอิ่มนี่ไม่เหมือนบริโภคอาหารอิ่มโดยการ เป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษของความไม่สงบแล้วมาพยายามอบรมจิตใจของเราให้สงบเมื่อจิตเห็นความสงบจิตใจเลยพอถึงไม่มีอะไรมันก็พอ เพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบทําให้คนพอไม่หาอะไรเตาผอีกแต่ขอให้สงบอย่างถูกต้องตามธรรมคาสอนพระพุทธเจา้าสงบด้วยเป็นผู้มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์สงบด้วยปัญญาสามารถาจักความหิวอยาก ได้สิ้นเชิเพราะฉะนั้นความสงบ ป, ประเภทนี้จึงไม่มีความปรารถนาพบชาติต่อไปอีกปรารถนาที่พึ่งอะไรอีก mm hmm. เพราะที่พึ่งมีแล้วเพราะที่พึ่งพอแล้ว สิ่งที่ให้ทุกเกิดก็มีอยู่แต่ก็ไม่สามารถที่เอามาใช้กับทุกเรื่องมาประกอบให้เป็นหนทางให้ดับทุกนั้นได้เพราะฉะนั้นจึงได้เรียกอวิชาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไ้พระองค์ได้ องค์บัตรตรัสรู้แล้วในโลกพระองค์งมารูค้ความจริงอันนี้พระองค์งจึงรู้ว่าจึงรูอ้อวิชชาเพราะพระองค์งมาเกิดวิชาเกิดขึ้นเมื่อใดรูปความจริงเมื่อใดนั่ความรู้ที่เรียนไหวใจเกิดที่ทําให้มนุษย์ทั้งหลายสะสมสิ่งที่เศร้าหมองให้เกิดขึ้นแก่ตัวของตัวเองเหล่านี้ là. ท่านจึงได้บัญญัติ เรียกสิ่งเหล่านั้นอวิชาเมื่อมีแล้วมันก็เป็นปัจจัยอาศัยการเกิดขึ้นตามลำดับเช่นเป็นอวิชามีเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารมีเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณมีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตรนะหนักผัเวทนาปัญหา อุปทานพบชาติชราพยาธิมรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนะัสนะ่มีทุกใจขับแค้นใจที่สัตว์ทั้งหลายได้รับอยู่ในปัจจุบันนะเพราะความไม่รู้อริยสัจจะทำจินอย่างประเสริฐ ทีนี่อริยสัจจะทมนั่นเป็นสิ่งที่ลึกลับสลับซับซ้อนไหมาทาไมถึงไม่สามารถจะรู้ได้แท้จริงนั่นอริยสัจจะทมนั่นไม่ได้รี่ลับสลับซับซ้อนเลยเหมือนกับทุกเป็นโทอวิชชาติปิทุขาความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายอนิจจ์สิ่งเหล่านี้ล้วนจะมีอยู่ในสังขารคืออัตภาพร่างกายของเราถึงอย่างนั้นเราก็ยังไม่รู้ความจริงยังไม่สามารถจะทำให้เกิดความเบือหน่ายในทุกเหล่านี้ได้เราสาคัญว่าเป็นความสุข นอกจากที่จะเรามาศึกษาอาศัยทมคำสอนตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแสดงไว้แล้วนะั้นมาสอดส่องพินิษ์พิจารณาจิตของเรานี่ยังไม่ยอมรับความจริงความจริงมันมีอยู่วันอย่างข้าเพราะอำนาจแห่งความหลง อุปทานความยึดถือความหลงผิดมาหลายพบหลายชาติไม่สามารถจะปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นจะต้องอบรมแล้วอบรมอีกกว่าจะรู้ความจริงกว่าจะยอมรับความจริงจึงเป็นจะต้องต่อสู้ต่อความจริงเหล่านั้นให้จิตยอมรับ อย่าว่าแต่เราธรรมนาองค์สมเด็จพระสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต่อสู้เพื่อให้โลคความจริงเอาชีวิตเป็นเดิมพันทั้งทั้งที่มีอยู่จะเพาะหน้าอยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็ข้ามไปข้ามมาอยู่จนถึงหกปีความจริงอยู่ที่นี่ก็ยังไม่เข้าใจแทนตลอด สัตว์ทั้งหลายผู้ที่ไม่ได้สดับทำคําสอนของพระองค์เมื่อไรเราจะรู้สินนเหล่นี้แม้แต่ผู้ได้สดับแล้วก็ยังยากที่จะรู้ทำไมตั้งใจพยายามจริงๆเดี่ยวกัเส้นผมบางภูเขา มันอยู่ในมีอยู่ในตัวเราแท้ๆหมพิจาาก็พอจ ะ, จะรู้ได้เห็นได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เชื่อไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นต้องอบรมจิตใจให้มีความเห็นชอบถ้าตรับใดความเห็นของเรายังไม่ชอบถูกต้องต่างกลมท่านองลองทำอยู่ ความดำริด็ดีการกระทำะด็ดีการพูด็ดียากที่จะพองสายยากที่จะบริสุทธิ์เพราะจิตใจยังมีความเห็นผิดเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพึงเข้าใจว่าคำว่าผิดนี่คือไม่ถูกความประสงค์ที่เราทั้งหลายต้องการคือความสุขทแท้จริง การอบรมจิตใจให้มีความเห็นชอบเป็นสมาธิความเห็นชอบทางคดเชื่ ง, งเห็นนิจจังของสังขารทุกขังของสังขารคือสา ร, ระร่างกายก็ดีสังขารทุกชนิดก็ดีไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นเรามาสอบส่องดูสังขารเพื่อให้จิตนี้ยอมรับความจริงและจะได้ปล่อยวางสังขาร น, นี้ได้ เราก็จะได้ความสงบและความสุขอย่างยิ่งตามทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเรามาพิจารณาดูกายสังขารจิตตะสังขารกายสังขารลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เรียกว่ากายสังขารโยดยได้เลยอันนี้ ดูได้โดยอาหารเป็นผู้อุปธรรมจิตสังขารได้แต่สัญญาได้แก่เวทนาเป็นเครื่องปรุงจิตสายจิตเป็นจิตสังขารเพราะฉะนั้นเวทนาก็มีพัทธาพัทธะก็มีอายกนักนี่มัน มันอาศัยปรุงแต่งซึ่งกันและกันให้ต่อเนื่องกันไม่มีที่สิ้นที่สุดสังขารเหล่านี้แหละเป็นทุกอย่างยิ่งเราทั้งหลายพยายามสอดส่องศึกษาให้เกิดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารที่มีอยู่ในตัวของเราเราก็จะได้ประสบความสุขความเจอบรรยายมาแต่นี้ไป ภาวนาต่อไปอีกสมควรเต่เวลาและวจ็นคอยเลยพร้อมกัน